พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่1กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าหาเงินให้งูเหา่างูจงอางวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะลูกหลานนะขึ้นวันที่หนึ่งกันยาแล้ววันนี้ วันที่วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนต์พุทธศักราช2560หเมื่อวานหลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่ตีสี่เกือบตีหนะ้าออกจากวัดไปขอนแก่นนั่งรถไปพระไปสามรูปโยมสองรวมนักโซเฟอร์หห้าชีวิตนะแต่ออกจากวัดเราฝนไม่ตก แต่พอเลยอุดรไปโอ้ฝนตกเป็นที่เป็นที่เป็นหย่อมเป็นหย่อมตกแรงก็มีตกค่อยก็มีกว่า <c oughs> จะไปถึงขอนแก่นแต่พอไปถึงขอนแก่นก็ตกอยูบ้างเล็กน่อยไม่มากพอไปฉันยุบบ้านนะบ้านโยมพัดทั้งสามองค์พอฉันเสร็จแล้วก็เขาคนในมนฑลไปมอบทุนให้กับนักศึกษาทตามไม่จริงนัก พวกมหาวิทยาลัยพวกกลุ่มเขาในมณฑ์เขากในมณฑ์ไปฉันนะั่นแหละหลวงพ่อกลัวไม่สะดวกเพราะมันเป็นส่วนราชการหลวงพ่อไปฉันบ้านโยมที่เคยไปฉันพอฉันเสร็จแล้วเขาก็มารับมารับหลวงพ่อที่บ้านเข้าไปหอประชุมการชนาพิเศษหอประชุมบ้าใหญ่ที่ของเมือนของแกนกงจะเป็น มันในภาคอีสานคะงจะเป็นหอประชุมมั่งใหญ่ที่สุดนะหอประชุมมหาวิทยาลัยประมาณเก้าโมงครึ่งนะพอเขานัดสิบโมงพอไปถึงพวกคณะอาจารย์เขาอบรมนักศึกษาเนนั่งเกือบเต็มแนละ้วงนักศึกษาพ อ, อนักศึกษาปีแรกเขาไปสามพัน 3, นะนักศึกษาปีหนึ่งนะ ทุกแผนกนะเอาไปเห็นแล้วก็เข้าไปเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันไหวครูนักศึกษาก็เลยบางคนก็อยากจะออกมาก็ห ย, ยุบพยับหลวงพ่อก็เลยเข้าไปไปมอบทุนการศึกษาพอเสร็จแล้วหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อเอ้ยนักศึกษาครูบาอาจารย์ทุกองทุกคนนะ หลวงพ่อร่ดนดันมาจากอำเภอนายูงน้ำโสมติดฝั่งแม่น้ําโขงนะออกมาตั้งแต่ตีสี่เกือบจะตีห้ามาถึงกเขียนว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานเนี่ยจึงได้ร่นดันมาเพราะนั้นลูกหลานทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนนะต้องใจเย็นวันนี้จะหาโอกาสทีนี้หาไม่ได้หลวงพ่อประกาศโอ้สยบสยบคนได้มากพอสมควรเลย ต่างคนก็ต่างเงียบจากนั้นเขเขาก็ประกาศหลวงพ่อกับประธานให้หมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาร้อยทุนนะเพราะปีก่อนหลวงพ่อไปเขาในมงลหลวงพ่อบอกประเดิมเพื่อว่าประเดิมคือครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเขาตั้งกองทุนขึ้นมาเขาในมงลหลวงพ่อไปเป็นประธานฝ่ายสงเพื่อหาทุนหลวงพ่อก็เอาเน้น เราจะถุกปัจจัยวัดของเราเนี่ยนะพงพอไปที่ไหนติดปลายนวลไม่ได้ลูกหลานนะไม่ได้ไปแบบดุยนะโดยมากพี่จะไปเสียไม่ใช่ไปได้แต่ถ้าว่าตามวาิดแบบโลกนะไปเสียเงินแต่ตามที่จริงพงพ่อไม่ได้ว่าไปเสียไปสงเคราะห์อให้ไปเท่าไหร่เพรไม่เห็นมันหมดมันกำลังไหลมันกำลังไหลไหลม า, เ, าเราก็ไม่เห็นจะอดอยากสงเคราะห์ไปมันได้มากก็ได้สงไป เพราะนั้นหลวงพอ่อได้เอาปัจจัยของเนี่ยของคณะสงฆ์ของวัดไปร่วมทอดร่วมสมทบทูนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยที่คณะกลุ่มผู้หาทุนก็ตั้งเป็นชมรมหาทุนทั้งพอค้าประชาชนที่เป็นสิทธิ์เก่าที่จบจากมหาวิทยาลัยของขอนแก่นมันเป็นสี่ห้าสิบรุ่นะไจบไป วันนี้รุ่นนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพี่ให้น้องคล้ายๆว่าพ ว, พวกพี่เนี่ยผ่านไปแล้วพวกน้องที่เข้ามาเรียนใหม่เนี่ยยังขาดทุนทะครับควรพี่ที่ได้ทําการทํางานได้เงินเดือนเงินพอที่จะเลี้ยงตัวได้พอที่ช่วยน้องได้ก็ควรจะหันมาเลี้ยงมาช่วยน้องเอขาให้ช่วยน้องคนละพันบาทพี่ช่วยน้องคนก อ, องทุนพันบาท หลวงพ่อคนนี้แต่ไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อถือว่าเป็นลูกหลานทรัพยากรของประเทศชาติเนี่ยไม่ใช่น้องของหลวงพ่อนะท่านผมพ่อไม่ได้จบมาจากที่นั่นใช่ไหมล่ะหลวงพ่อเนี่ยทรัพยากรของประเทศชาติเราควรจะช่วยเหลือหลวงพ่อคนในานามเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงตาหลวงพ่อเอาปัจจัยไปสามแสนนะครับนั้นนะไปร่วมวาง ช่วยทุนเขาดวงกองทุนนี้สรุปแล้ววันนั้นได้เงินสามล้านสมล้านห้าแสนอะไรนี่ยแหละลักษณะเนี่ยห้า้าแสนกว่าก็ก็ว่าได้น้อยนะเพราะว่าทั้งจังหวัดขนแก่นกับคูบาจานทั้งห้าสิบรุ่นแต่ผู้ที่มองไม่เห็นก็มีคงจะเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์อย่างไม่ทั่วถึงข่าวนั้นแต่พอมาถึงวันนี้พอปลายปลายปีเลย ต่างกองทุนแตน่มาถึงเนี่ยกลางปีเนี่ยเมื่อวันเนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยเป็นวันไหว้ครูแล้วก็เป็นวันที่เอให้ทุนนักศึกษาก็คนนิมนต์หลวงพ่อไปมอบทุนทเธอหลวงพ่อโอ้ยให้คณะกรรมการสถา ญ, ญาติรวมเป็นผลมอบเธอวะหลวงพ่ออยู่ไกลวะหลวงพ่อก็ออกตัวมันกันนะแต่โอ้เอาหลวงพ่อ เพราะมันเป็นปีแรกอยากจะให้หลวงพ่อมาร่วมเป็นฝ่ายสงศ์หน่อยเอออ้าวเพราะสาธารณประโยชน์สาธารณชนเนี่ยหลวงพ่อกออ็พร้อมที่จะนั่นอยู่แล้วก็ เ, เ, เลยอ้าวไปอะไรออกไปที่เมื่อวานเนี่ยลูกหลานเนี่ยพอกไปก็เห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนี่ยเขาก็ให้ทุนละสาม0 0ื่นนะ เขาเอาร้อยคน 100, นักศึกษาทั้งรอยคนนักศึกษาเหล่านี้พ่อแม่รายได้น้อยปีหนึ่งตำปีห่ํากว่าห0 0มื่นแต่ว่าความคิดเห็นของอาจารย์คณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยถ้าผู้ใดนักเรียนคนใดสอบได้สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยขอนกแก่นได้ จะต้องได้เรียนทุกคนคืออันนี้คือมันเป็นแนวความคิดของคณะบริหารนะเขาจะต้องหาทุนให้ได้เรียนทุกคนเพราะจะต้องเป็นเด็กมีความสามารถที่สอบได้แต่ว่าเขาจะหาทุนวิธีการยังไงช่วยเหลือกล่าวนี้อก่อนเนี่ยคัดเลือกดูแล้วพ่อแม่อย่างที่ว่า น, น, นักเรียนทั้งหมดมีอยู่ เขารับไนข่าวในร้อยคนแต่ปีต่อไปถ้าหากหาทุนได้มากกว่านี้ก็คงจะได้ให้ได้มากกว่านี้ข่าวนี้ได้ปีนี้ได้ร้อยคนคนละสามหมื่นนะแต่เขาคงจะไปให้ทีเดียวนะเงินสามหมืนคงทยอยให้มีความจำเป็นเขาค ง, งจะให้ทีละพันละพั น, พนหรือลักษณะอย่างไรก็สุดแท้แต่เราไม่ได้ถามในรายละเอียดจุดนี้แต่เห็นในใบใบมอบสามื่น กองละพันเขเขียนว่าให้พี่ให้น้องกองละพันแต่เขาเขียนไว้สามหมื่นจะแสดงว่าต้องให้ให้นักศึกษาเนี่ยสามหมื 30, ่นนะดูดูแล้วนะแต่นนี้พอเสร็จแล้วเขาก็ให้หลวงพ่อเป็นผ้นกล่าวสัมโทนิยกถาหลวงพ่อก็ได้กล่าวเกี่ยวกับนี่แหละ หลวงพ่อมาคราวนี้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นอยากจะเห็นลู ก, ลกหลานทรัพยากรของชาติเป็นผู้มีเป็นผู้เฉลียวฉลาดแล้วก็ไฝในการเรียนรู้ใฝ่ในการศึกษาพวกเราท่านทั้งหลายต่างหลวงพ่อเนี่ยถึงคณะบริหารเนี่ยจะเท่าแก่ชลาไปเรื่อยๆแกลูกหลานเนีจะเป็นทรัพยากร ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าลูกหลานเป็นคนดีนะถ้าว่าลูกหลานเป็นคนเลวก็ทําให้ประเทศชาติล่มจมจิีพายพวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็พยายามปั้นให้ลูกหลานเป็นคนดีมีความคิดดีทดําดีพูดดีเป็นทรัพยากรของชาติพวกเราจะได้พึ่งพาอาศัยต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยสมบัติเป็นสมบัติของประเทศชาติหลวงพ่อกขาพูดอย่างนั้น หลวงพ่อก็บอกว่าในตุปัจจัยที่หลวงพ่ออินได้มาได้มอบให้ก็ไม่ใช่ว่าจะให้แต่นักศึกษานะให้ทั้งโรงเรียนให้ทั้งวัดให้ทั้งการแพทย์ปีนี้กับเดือนสิงหาเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้โรงเรียนบ้านผือสร้างโดมสองแสน ให้ค่ารถอำเภอสีบุญเรืองนักเรียนสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรืองสองแสนซื้อรถแล้วก็ให้โรงเรียนพัฒนาการเพื่อจะเทปูนปรับปรุงโรงเรียนที่ชุดโทมเป็นบางจุดเหลวงพ่อให้สองแ 0,000 นให้โรงเรียนบ้านผืนโรงเรียนบ้านผือหลวงพ่อมาด้พูดมาว่าโรงเรียนบ้านผืนอีก น, น, น ะ, ะน้ำประปานะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมืกว่าบาทอันนี้ปีเดือน สิงหาเนี่ยนะหลวงพ่อให้แต่วกรณหน้านี้ที่หลวงพ่อให้กับมหาวิทยาลัยสามแสนนะ่นะพอให้จบลงมาแล้วนะลเนี่ยหลวงพ่อก็ได้สำนักงานที่เขาจะเปิดสำนักงานเกี่ยวกับหาทุนพี่ให้น้องเนะี่ยก็มีสานักงานนะเพื่อให้มีการประสานติดต่อนะเขาให้หลวงพ่อไปไปเปิดงานไปดูสถานที่หลวงพ่อก็ไปดู อยูใ่ในมหาวิทยาลัยนั่นและไปดูแล้วก็มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์ขอนแก่นนะไม่ใช่ศรีนครินทร์นะศูนย์ขอนแก่นเข้ามาอยากจะได้เครื่องมือเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับตาพวกที่เป็นเบาหวานต้องใช้เครื่องมือละเอียดทาม า, าไปงั้นตาบอดเพราะเบาหวานขึ้นตา หลวงพ่อเออเขาได้ยินมากโตเบาหวานขึ้นตาแต่ตามองไม่เห็นนะเนีอยและอีกอย่างนึงเครื่องมือตัวนี้มันก็จะต้องทาง่าว่าพ่าตัดถ้าเมื่อเครื่องมือจาบแผลไม่หายต่างหากแผลเบาหวานฮนะหลวงพ่อก็คิดอีกเพราะได้ศึกษาอยู่การพิธีแนวการแพทย์นะหลวงพ่อกลับมาเอือรับไว้พิจารณาหลวงพ่อก็กลับม า, ออบ า, า, บ ม, ามาถึงวัดก็ได้มาปรึกษาพระก็เลยเอาตกลง่ ก็เลยให้หลวงตาสมบัติเป็นผู้ประสานหาบริษัททางนู้นเขาบอกทีแรกว่าสามล้านแต่หลวงพ่อมาถึงวัดประสานไปได้สองล้านหกแสนได้กำไรไปสี่แสนกว่านะก็ลดให้พอหลวงพ่อจนก่อนที่จะทำอะไรหลวงพ่อก็ต้องเออตอลองด้วยนะลองมันจนนะ แต่เราอยากจะได้อยู่แต่ว่าเราไม่มีเงินต่อลองบริษัทด้วยนะอะไรต่อลองได้สี่แสนหกกพอเออตกลงก็ได้สั่งมาก็ได้มอบให้แต่เมื่อวานหัวหน้าหัวหน้าเกี่ยวกับตานะ่ะโรงพยาบาลสู่นคะรก็มนะโอ้หลวงพ่อจะปกคุณท่านเครื่องมือที่ท่านมอบให้น่ะเอาไปใช้กับพี่น้องประชาชนนะนะ เพียงสองสามเดือนใช้กับชาวบ้านที่มาบริการห้าร้อยกว่าคนแล้นะหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินเท่านั้นแหละหลวงพ่อโอ้ตีใจเงินของเราที่ศรัทธา ญ, ญาติโยมบริจาคมาเนี่ยถวายผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อมอบซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ใช้ให้กับพี่น้องประชาชนหลวงพ่อได้ยินนั่นเออเนี่ยแปลว่าให้ถูกจุด จ, จุดมุ่งหมายถูกจุดประชาชนเ็าต้องการพอดีพอดีนี่แหละหลวงพ่อจะมอบสิ่งไหนให้ก็ตามนะหลวงพ่อจะมองมองดูนะไม่ใช่จะหวานเหมือนหวานแห่ไม่ใช่นะต้องเห็นปลาซะก่อนจึงค่อยหวานแห่ค่มนะนี้ก็เหมือนการการศึกษาหลวงพ่อก็ได้ให้พอมีความจำเป็นนักเรียนนักศึกษาและกการแพทย์โรงเรียนต่างๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว แต่เมื่อวานพอพูดลงมาแล้วมีคนท้วงติงหลวงพ่อนะเมื่อวานหลวงพ่อพูดตอนนั้นไม่ถูกเข า, านะฝ่ายผู้หญิงเขาฝ่ายผู้หญิงเขาเขาต่อต้านนะหลวงพ่อเออมีอะไรมาก็ว่านี่หลวงพ่อว่า หลวงพ่อให้ได้เงินได้จุดจตุปัจจัยมาแล้วหลวงพ่อแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังเหมือนกับทุกขตะในชาดกที่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าชาดกในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์บอกว่าเราเคยเกิดเป็นทุกขตะนะเป็นคนจนไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีอย่างเดียวนในชาตินั้นเราเกิดเกิดเป็นทุกขะตะ เ, เกิดมาแล้วกัน พ่อแม่ก็มีปัวลอคู่หนึ่งก็มีเกวียนพอเราขึ้นมาเราไม่ย่อท้อเราไม่อ่อนแอต่อชีวิตของเราเราเข้มแข็งขยันเราไปหาฟืนหาฟืนมาขายในเมืองตอนเช้าหม่ออกไปแต่เช้าพอไปหาฟืนเสร็จแล้วก็ใส่เกวียนขึ้นมาเอามาขายจํานวนที่เหลือ ก, ก็เก็บเก็บไว้ในป้ายไว้ก่อน พอวันลุ่งเคลื่อนไปอีกไปอี ก, อกหาเพิ่มติเก็บออกฟืนจำนวนที่หาไว้เมื่อวา น, นีใส่เกวีนอีกแต่ใส่เกวีนมาแล้วเนะี่ยใส่ในเกวีนไะด้ยังมาแล้วยังแบกใส่บาอีกเพื่อจะให้มันได้เยอะใช่ขายผลในสุดขนาดทุกขนาดนั้นนะเออทุกขาตาในะไม่อแยแสในะชีวิตของตนเองว่าทุกอยากลําบากนะคนคนอื่นเขาจะมั่งมีใส่เครื่องประดับ ส่้อยแหวนเงินทองขนาดไหนแต่ทุกขตาเนี่อมองตัวเองภูมิใจในตัวเองได้เกิดเป็นมนุษย์จะร้องรำทำเพลงอีกต่างหากสนุกสนานไม่แยแสนในชีวิตของคนที่เขาว่าจะดูถูกว่าต่ำต้อยนะขอจงพันหาเงินให้ได้เงินเท่านั้นละขยันจนพระเจ้าเป็นทินปลอมแปลงพระองค์ไปตรวจตราดูเมือง บางทีก็เสด็จไปบางทีก็ปลอมแปลงไปเออเห็นหลายครั้งไอ้นี่น ะ, ะมันไม่ทุกอยาก่างมันล่าเรื่องตลอดอมันเป็นยังไงเศรษฐกิจเนะี่ยพระเจ้าแผ่นดินก็คิดแต่แง่เศรษฐกิจนะไปเรียกมันมาใช่ผมเรียกไอ้ทุกตะมาทุกตะก็เข้าไปเออนี่นะ่ยเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราอยากจะถามว่าเป็นยังไงเธอขายมักฟืน นายทุกต่าครับผมขายได้ดีอยู่ครับมันพ่อได้เลี้ยงชีพได้ครับไม่มีปัญหาครับเศรษฐกิจผมผมได้มากไหมครับได้ประมาณเท่านี้เท่านั้นครับและแต่แกได้เงินมาแต่แกเอาไปไว้ที่ไหน่ะพระเจ้าแผ่นดินก็ถามม แ, แต่เนียผมบางทีมันเอาไปเล่นหวยบางทีไปแทงเบอร์บางเอื่องไปเล่นเอาไปใช้ใจ่ายผิดประเภทอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะรู้เหมือนกัน ไอ้ตะแกหาเงินมาแล้วตะแกเอาไปใช้อย่างไงเงินเพราะน่ะจุดนี้แนหะละหลวงพ่อพูดเมื่อวานนะหลวงพ่อเปรียบเทียบมาฟังนะนายทุกตะเขาว่าผมได้มาผมแบ่งเป็นส่วนๆครับฟังนะนักศึกษานะครูบาอาจารย์นะทุกตะเขาได้เงินมาแล้วเขาแบ่งยังไงเนี่ยนหะหลวงพ่อก็ได้เงินมากับแบ่งอย่างทุกตะเนี่ยใช้วิชาทุกตะนี่แหละว่อได้เงินมาก้อนหนึ่งผมแบ่ง โยนลงน้ําไปถมน้ํามหาสมุทรทะเลอีกส่วนหนึ่งผมไปบูชาเทวดาอีกส่วนหนึ่งผมเอาไปฝังดินไว้อีกส่วนหนึ่งผมไปให้งูเหา่างูจงอ่างกินมอบให้งูเห่างูจงอางกิ น, ง เ, งงง เ, กนเงินก้อนหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพาราชสีพระเจ้าพรมทัต่านเอสุกตะเธอพูดเนี่ยพูดเป็นปริศนาเนี่ยวะไม่ชัดเจนเราไม่รู้ตีไม่ออกอธิบายให้ชัดเจนหน่อยสิพูดว่าเอาไปยังไงทั้งสีอย่างครับผมเอาไปโยนลงน้ำมหามหาสมุทรทะเลเนะี่ยคือเอาไปถมทะเลเนะี่ยคือกินเอง ผมกินเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักเต็มเพอ ก, กินวันนี้วันพนุ้ก็หิวอีกกินวันก็หิวอีกถ้าหากว่าผู้ที่ถมถมตั้งออกตั้งใจถมเต่มมหาสมุทรทะเลเนี่ยจะทนมันก็ลําบากเหมือนกันเอ่อพ่อมันต้องถมพอประมาณจะไปใช้เกินประมาณอันที่สองละ่ะไปบูชาเทวดานะ่ะเทวดาเทวดาอยู่ไหน ผมเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เปรียบเทียบเหมือนเทวดาเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ต้องทดแทนประคุณของท่านเลี้ยงท่านตอบผมจะต้องมอบเงินของผมให้พ่อให้แม่ให้ท่านได้ใช้ถ้าว่าท่านไม่ได้จากลูกหรือท่านจะใช้จากไหนเพราท่านแก่แล้วผมก็มอบให้พ่อแม่พ่อแม่เปรียบเหมือนเป็นเทวดาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ เป็นบุาการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์ก่อนเราในฐานาลาะลูกก็แสดงความกตัญญูกตวเวทิตาเนี่ยผมก็ได้มอบให้พ่อแม่เออเอาไปฝังดินนะไอ้ฝังดินเอาไว้ไปกินไปไปปรโลกภายภาคหน้า เ, ออเพราะว่าเราฝังดินไว้ออทำบุญทำทานไว้และกออ็วันต่อไว้ไปอีกภายภาคหน้า เรามีความจําเป็นเราก็จะต้องได้คุยเกี่ยงเงินก่อนนี้แหละเงินอันนีนะ้เอามาใช้มากินอันนี้แปลว่าวางแผนไว้ในอนาคตสาหรับชีวิตของตนเองนะไม่ใช่ว่าในประชาติในชาติต่อไปเอกนะลักษณะอย่างงั้นแหละแล้วให้งูห่างูสานะ่ะงูทําไมงูห่างูสายัางกินเงินนะงูเห่างูสาเนี่ยเอาให้ลูกให้เมียะ ลูกเมียของผมเลยทําไม่ให้เขาฉกเขากัดเขาว่าเขาก่าเลยผมเลยจำเป็นจะต้องให้เขาเพื่อไม่ให้เขาฉกเขากัดผมเพื่อผมจะได้อยู่สบายทําไมงั้นผมหาความสุขสบายไม่ได้ทุกกระตะเขาว่ากันนะสว่างงูเขางูเหา่างูจงอางเนะี่ยแปลว่าลูกเมียกันะนี่ย น, นี่แหละตรงนี่แหะที่หลวงพ่อออกมาจากห้องประชุมแล้วฝ่ายผู้หญิงเขาต่อว่าให้หลวงพ่อหลวงพ่อพูดไม่ทกเขาว่ากั้นนะ เอาทำไมจึงว่าไม่ถูกแล้วลูกหลานวะเขาบอกว่าเนี่ยต้องว่าผู้ชายนะแต่เป็นงูเห่างูจงอางเขาว่านะฝังฝั่งเอได้ลูกหลานนะพวกผู้ชายนะผู้ชายเนะี่ยเราเป็นงูเห่างูจงอางเอมีแต่เกาะกลิ่นกินมีอะไรเอกไปใช้พวกลูกเมียนะเนี่ยเป็นพวกหาหาเงินหาอะไรให้งูเห่างูจงอางเขาว่างั้นนะ เ, เพราะนั้นลูกหลานทางฝั่งนะ ต่อไปนะ้อพงหลวงพ่อศึกษาเดินแล้วหลวงพ่ออาจจะเปลี่ยนคำพูดใหม่นะต่อไปนะี่จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หาส่งให้งูเหา่างูจงอางบัดนี้ให้ให้ฝ่ายผู้ชายนะแต่คราวนี้หลวงพ่อยังว่าผู้ชายเนะี่ยให้ลูกเมียนะให้งูเหา่างูจงอางคือลูกกับเมียใช่หมละ่ะต่อไปนะี่หลวงพ่อจะพูดว่าเมียจะต้องหาเงินส่งใ ห, ให้พ่อบ้านกับลูกนะึงงูงูเหา่างูจงอางเหมือนกันทั้ หลวงพ่อก็ออกมาหลวลงพ่อจังนึกขำอยู่นะลูกหลานนะนี่แหละอันน้เรารอให้ลูกหลานฟังอจากนั้นหลวงพ่อก็ออกมาเข้ามาเมื่อมีเวลาอยู่ก็เลยออกมาดูพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเมื่อวานพนะาเข้าไปได้มากนะไปได้มากทีเดียวก็พอะสมควรอยู่แต่ว่าจะช้าไหมเขาก็ว่าถามจะต้นเห็นบริษัทคุมงานเขาว่ายัางช้าอยู่หลายวันครับหลวงพ่อ ทางบริษัทสอบุญมิลิตรเขาทำเราก็อเออช่วยๆกันดูนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองติดตามอยู่ทุกวันนะพยายามติดตามคนนั่นคนนี้อยู่ตลอดรู้ว่างานมันไปยังไงถึงยังไงถึงไหนมีปัญหาอย่างไรแต่หลวงพ่อก็ยังให้ความยืดหยุ่นอยู่นะแค่ความยืดหยุ่นก็ตรงที่ว่าฝนฝนยังตกอยู่ ผลมันตกจะทำเต็มที่ไม่ได้และอีกอย่างนึงสอบุญมีฤทธิ์เขาก็รับทำเมนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ, อยู่ในกรุงเทพปัจจุบันเขาคนนรับอย่างมากเพราะนั้นทั้งสองอย่างเป็นภาระของบริษัทที่มาสร้างเจดีลงตาเอาเถอะนะถ้าพนฝนไปแล้วนะ และกับพ้นงานพระราชทานเพลิงไปแล้วนะถ้ายัางช้าอยู่นะลุงพ่อจะลงมาพูดด้วยนะทันี่นะแต่ตอนนี้ลุงพ่อยังไม่พูดนะลงพ่อมีแต่จับตามองว่างานมันช้าเพราะอะไรทำไมลงพ่อเพ่งมองไปจุดสองจุดนั้นเพราลงพ่อเนี่ยให้การสนับสนุนนะถ้าว่าจุดไหนที่มันห่อนร้อยแต่ลงพ่อเนี่ยอยากจะให้บริษัททาให้ดีที่สดุด ให้เร็วที่สุดดีที่สุดเพราะเหตุไรเพราะว่างานนี้เป็นงานเจตุปัจจัยของพี่น้องประชาชนใครๆก็อยากจะเห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่มันจะเห็นงองแงงงองแงๆ ง, ง, งานใช้ต่างหากเหมือนขอความไม่ใส่ใจแต่เอาเถอะงานพิธธพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยเดียวเราจะไม่ได้เซ็นสัญญานะพิพิธภัณฑ์นนะาวะสบุญมีเด็ด ทำงานช้าอยู่อย่างนี้เราก็ควรจะหาบริษัทอื่นเข้ามาสร้างพิพิธภัณฑ์เพราว่าสบุญมีฤทธิ์งานลดมือแล้วมีแต่พระเจดีกับพระวิหารก็ให้สบุญมีฤทธิ์ทาแต่ถ้าบอสอบมกว่เอยไม่เป็นไรผมทำได้ผมจะเล่งงานถ้าเขาเล่งงานเออไม่ว่ากันเราก็จะให้คนกลุ่มเดียวบริษัทเดียวเนี่ยแหละทำทั้งสามอย่างเลยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละ ให้ช่วยๆกันคิดนะอันนี้หลวงพ่อเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อนะถ้า ง, งานล้นมือล้วก็ยังไปให้สอบุญมีฤทธิ์อยู่แล้วอผมก็ล้นมืออยู่แล้วทำไมไม่ให้ผมอีก เ, อเพราะบริษัทในประเทศไทยมีจังมากมายไม่รู้บริษัทไหนบริษัทไหนที่จะมาก่อสร้างและ ก, การก่อสร้างก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายเพราะาดูๆแล้วไม่เหมือนพระวิหารกับพระเจดีย์เพราะว่า ถ้จะดีก็บพระวิหารเนี่ยต้องใช้สถาปนิกผู้เกีย่ยนจบผู้ละเอียดอ่อนแต่พิพิธภัณฑ์มีแตงแต่อาคารและก็มีข้างในตนเองข้างในเราจงหักค่อยคิดใหม่หาใหม่ข้างในนะ เ, เพราะว่าเป็นธรรมเทศนาและเป็นคําพูดต้องวางแผนให้ดีข้างในนะแต่อาคารของนอกเหมือนอาคารตึกทั่วๆไปไม่น่าจะมีเทคนิคอะไรมากหลวงพ่อว่านะ อันนี้หลวพ่อในฐ า, า, า, านะวิศวกรรนะแนวความคิดหลวงพ่อจะให้พวกบริษัทจตนเฮทหคณะกรรมการที่เป็นจบมาทางนี้ช่วยกันคิดนะหลวงพ่อมีจบมาจากเรียนมาจากภูผ า, าป่าไม้ป่ารงพงไพ่หลวงพ่อเรียนมาทางนู้นอทางนี้แหละหลวงพ่อยังจะเป็นแนวความคิดเท่านั้นเองนั่นแหลจากนั้นหลวงพ่อก็มาอำเภอบ้านผือ เขาจะถวายที่ดินอีกหลวงพ่อก็ให้พบท่านหน่อยกับคูบาเจอกันที่นั่นหลวงพ่อเออก็ดีก็เลยมาพูดกันนี่แหละลูกพ่อไปที่ไหนยาวเหย็ยนท่านลูกหลานก็มาวัดขํามพอ ด, พอดีพอดีเมื่อวานนี่แหละอันนี้ก็คือสาธารกิจเอที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับอ่ เรื่องพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับมวลชนถ้าจะแยกพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับมวลชนเเลยก็ไม่ได้พุทธศาสนาเขาอาศัยมวลชนบินถวายกับมวลชนฉันเข้ามวลชนการสนับสนุนจากมวลชนมวลชนก็เหมือนกันจะแยกศาสนาออกไปก็ไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่เป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวก เรารู้จักดีรู้จักจักชั่วรู้จักงแต่บรรพ์พ ร, รุษมานะหลวงพ่อเลยเคยพูดบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองไทยมาตั้งแต่ดึกดำบรรถ้าหากว่าเราเทียบเปรียบเทียบเป็นตัวเงินออกมาไม่ได้แต่ว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูด พวกลูกหลกนานคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายเป็นคนดีเนอะให้มีสัมมาคาระวะเนอะให้รู้จักพระคุณของพ่อของแม่เนอะให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเนอะอย่าทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเนอะถ้าทําผิดเข้าไปแล้วนะ่ยตัวตัวเองนั่นะจะเดือดร้อนไม่ใช่ใครอื่นนะเดือดร้อนนะตัวเองนะเดือดร้อนที่วนะ่า ต, นะ ต, นะ ต, ตัวเองฉลาดหลบไปหลบมาหลบซ้ายหลบขวาพอเขาจับได้เข้ามาเข้าไปนั่งคุกนะ อยู่ในคุกเออยู่ในตารางนัน่นแหละกรรมชั่วอย่าทำเสโลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวถ้าพวกเราได้ยินแล้วนำไปปฏิบัติเออใช่เออจุดนี้เราไม่ควรจะทําแต่คิดเป็นเงินออกมาลนะ่ะมีคุณค่ามากไหมท มีคุณค่าทางด้านจิตใจคือธรรมะในสอนทางด้านจิตใจจะคิดเป็นตัวเงินออกมาไม่ได้แต่าว่าคนใดไม่ปฏิบัติตามคนนั้นเอารับเคราะรับกรรมไปแต่ว่าผู้ใดนําไปเปิดพฤติปฏิบัติแล้วคนคนนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่แต่ร่มเย็นเป็นสุขแต่เฉพาะคนคนนั้นน่ะตั้งครอบครัวด้วยถ้าคุณถ้าคนใดมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ถ้าว่าคอบครวัวน้ก็ดีจากนั้นก็ประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะใดเพราะทุกคนอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในเคารพกฎหมายนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพธธระพุทธศาสนานี่แหละจะคิดเป็นมูลค่าออกมาไม่ได้มันอยู่ทางด้านจิตใจถ้าว่าขาดศีลธรรมนะถ้าขาดศีลธรรมนะ เหมือนกับมดแตกหลังเยเห็นไหมยัยต่างประเทศ เ, เพราะเหตุไรเพราะว่าคนในชาติขาดศริยธรรมมีแต่คิดฆ่ากันไม่ไว้ใจกันผลในสุดบ้านเมืองตัวเองสร้างมากับมือแต่คนละทิศคนทางเ อ, อเหมือนกับมดแตกหลังเมืองไทยของเราประเทศไทยของเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนจะให้เป็นผึกแผ่นใครผิดใครถูกก็รู้มันผิดในเ่องจริลธรรม จะที่จะทำข้สอนเข้าไปาการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเกี่ยวกับลูกหลานพี่น้องประชาชนพอจะช่วยสงเคราะห์จุดไหนได้แล้วก็ใครเจ็บไขรได้ป่วยเกี่ยวกับตาเอาเครื่องมือให้เครื่องผ่าตัดมีหลายอย่างทั้งไหวทั้งบ้านเมืองด้วยทั้งงบรัฐบาลด้วยทั้งพอที่จะเป็นไปได้งบของวัด แต่ละวัดที่ท่านให้ไปแล้วที่ท่านไม่ประกาศคงจะมากเหมือนกันแต่หลวงพ่อเนี่ยแต่หลวงพ่อกคนนี้พูดในมุมในกลุ่มหนึ่งในกลุ่มของเราให้ได้รับรู้รับทราบาวัดว า, าศาสนา เ, นเราไม่ไนี่ไม่ได้เนี่งดูได้จุดไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สมสถาบันหลักถ้าชาติอยู่ได้าศาสนาก็ต้องอยู่ได้ถ้าชาติ ล่มจมแล้วพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรเนะี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระสงฆ์ภิกษุสา ม, มเณรเหมือนช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาเหมือนช้างเท้าหลังแต่ช้างเท้าหน้ากับช้างเท้าหลังต้องสมบูรณ์ไ ม, ไม่แย่งกันถ้าหากว่าช้างเท้าหลัง แฉงช้างเท้าหน้าช้างขอน่าจะเปจียบ ท, ทาช้างเท้าหลังกระโดดเอแฉงไปเลยช้างตัว น, นั้นเป็นว่าช้างพิการนี้ก็เหมือนกันนะถ้าช้างขาหลังไม่ให้การสนับสนุนเอช้างมีแต่ช้างพระสงูงอยู่ข้างหน้าเหมือนกับช้างขารากมีแต่สองขาน่าเดินตะกุยตะไกยขาหลังเดินไม่ได้เพราะมันขาลากขาหัก แปลว่าพุทธศาสนาเลยพวกเราอยู่ด้วยกันแนะปลว่าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนะี่ยพวกเราพุทธบริษัทศรัทธาญาติโยมเหมือนช้างเท้าหลังพัฒสงสมานิยเหมือนช้างเท้าหน้าถ้านะช้างเท้าหน้าเดินผิดที่ผิดทางไม่อยู่ในกรอบศีลและธรรมจริยธรรมที่ดีออกนอกดูนอกทางเอเหมือนกับเช้านาเดินลงไปหาเหวหาบ่อนะออะเ ผลในสุดขาหลังก็ต้องไปเเดิมไปตามตกเหวตกบ่อตายไปด้วยช้างตัวนั้นนี่แหละผู้ที่อยู่แนวหน้าก็ต้องได้คิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาอันไหนควรถูกต้องไปถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเอพราะฉะนั้นทั้งเช้าขาทั้งชา้า ง, ชางขาหลังทั้งเชา้าช้างขาหน้ า, นาต้องเตือนกันทีนี่ถ้าหากว่าชา้างขาหน้ามันตกลงไปในหอนเหวขาอย่างขาหลังก็ต้องยันเอาไว้ใช่ไหม เ, เพื่อไม่ให้มันลงเหว นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะพุทธบริษัทสี่ผู้ที่จะทำให้าศาสนาเสื่อมหรือาศาสนาเจริญพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าไม่มีใครอื่นพุทธบริษัทสี่นี่แหละจะทำให้าศาสนาของเราเสียหายปนปี์กิบหายวายปวงก็คือพุทธบริษัทสี่แต่ทำให้าศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองอ ต่อไปภายภาคหน้ากับพุทธทบริษัทสนี่แหละสรุปแล้วพวกพระองค์มอบความไว้วังใจกับพุธบริษัทสเพราะนั้นพวกเราต้องมองตนเองแต่ข้าพเจ้าทําผิดไหมถูกไหมถูกต้องไหมถูกต้องเหมาะสมไหมถ้าทุกคนมองตนเองอยู่เสมออย่าลืมเจ้าของอย่าลืมตัวนี่แหละศาสนาอยู่กับตัวของเราพทุกคนแต่ให้พวกเราทุกคนเนะ ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นแนวความคิดให้พวกเรามองตนเองโอปนายิกโกนะอย่าหลงอย่าลืมตัวเองนะถ้าหลงลืมตัวเองนะั่นนะความหายนะเข้ามาหาพวกเรากลุ่มของเราได้ง่ายๆอตอนนี้ไปพระสงค์อนุโมทนาให้พรรับพรนะ